ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาพบกันเรื่องพระยาเอกรัตน์ณนครราชด้วยความจริงเรื่องวันนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็ถือว่าเรื่องที่ไม่เป็นมงคลหรือมันเป็นมงคลมั้ยกัน มงคลได้เพียงว่าเกิดเป็นคนบวชพระแล้วเกิดเป็นฤาษีฐานนี่ความจริงมันไม่เป็นมงคลเฉพาะตัวท่านพญาเอกรปัฏฐนาคราชเห็นว่าเป็นมงคลจะบรรดาท่านพุทธบริษัตรจึงได้นำเรื่องราวอันนี้มาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัตรจะได้ทราบไว้ ตามนี้เพราะไรเพราะว่าในปัจจุบันบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมาจะถือมติว่าชั่วช่างชี้ดีช่างสงค์แบบนี้ถ้าว่าระวังใจได้มันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโทษร้ายมันเกิดเพราะว่าเราเข้าใจว่า <c oughs> พระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของประเสริฐนี้ท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพวกเราให้นามว่าพระก็แปลว่าประเสริฐก็เลยคิดว่านักบวชในพระพุทธศาสนาประเสริฐไปทั้งหมดจะทําอะไรอะไรก็ตาม<ใช> ท่านทำดีทำชั่วก็ช่างถือว่าชั่วช่างดีช่าง 2 แบบนี้ก็ไม่ตรงตามคติที่พระพุทธเจ้าต้องการการที่องค์สมเด็จพระพุทธทมันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระเป็นเนนภิกษุณีหรือสมณเนรีอุบาสกอุบาสิกา อ๋อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้ประพฤติดีประพฤติชอบประกอบด้วยกุศลแล้วก็ทําจิตของตนให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุจเฉทตปหารถ้าพระท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เราบำเพ็ญกุศลกับท่านเราก็เป็นสู่บริสุทธิ์ด้วยถ้าพระเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ เราทำบุญกับผู้ไม่บริสุทธิ์เราจะหาความบริสุทธิ์ได้ที่ไหนด้วยความจริงเวลานี้จิตใจของบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายส่วนใหญ่มักจะไปติดในด้านยศฐานันดรศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่คิดนึกว่าท่านมียศใหญ่ตำแหน่งใหญ่เป็นคนดีอันนี้ไม่แน่นักบรรดาท่านพุทธบริษัท เราจะต้องวัดกันด้วยพระธรรมวินัยเรื่องว่าท่านผู้ใดปฏิบัติในด้านพระวินัยดีที่เรียกกันว่าศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตดีคือมีอารมณ์เป็นสมาธิรักษาฌานสมาบัติให้ทรงตัวและในที่สุดก็ทําความหางหมู่ของใจให้หมดไปกล่าวคือทําลายกิเลสเป็นสมุจเฉทตทัง เป็นพระโสดาสิทาคานาคาอรหันต์นักบวชประเภทนี้ล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เอาสมเด็จพระประจิตรมานท่านเรียกว่าพระถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบรรทเพียงใดท่านยังไม่เรียกว่าพระเรียกว่าสมมติสงฆ์ถ้าว่าท่านนั่งหลายบูชาพระสมมติที่เขาสมมติให้เป็นพระ ตัวท่านเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาขั้นสมมุติเท่านั้นยังไม่ใช่ของจริงหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงบำเพ็ญกุศลกับพระจริงๆตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านนั้นหลายที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างจริงๆไม่ใช่ของปลอม อัมมาหุมมาสกุมมาสีกาแปลว่าผู้นั่งใกล้พระพุทธศาสนาผู้มีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างแท้จริงมาผลแห่งการบูชาพระพุทธธรรมประสงค์จะประสบกับบรรดาท่านพุทธบริศาสดาชายหญิงตามที่กล่าวมาแล้วอย่างน้อยที่สุดถ้าชาตินี้ท่านไม่ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน นี่แม้นี้พระพวกนั้นท่านเป็นพระอริยเจ้าบะกระสอนตามแนวที่ท่านได้มาเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็แนะนําระดับของพระโสดาบันซึ่งเป็นของไม่ยากทําได้ง่ายๆทําจิตใจโปรดเรื่องจากกิเลสเล็กน้อยเท่านั้นคือมีจิตใจอยู่ในขอบเขตของศีล มีความเคารพในพระตนอัตรายแน่นอนมีอารมณ์จักพระนิพพานเป็นอารมณ์ความรักยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงยังมีแต่ทั้งว่าอยู่ในขอบเขตของศีลท่านก็จะได้รับความดีคือเป็นประโยชน์ดาบัน แม้ความว่าว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิทั้ง 4 ต่อไปปิดประตูอบายภูมิความจริงประตูเขาไม่ได้ปิดแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะลงไปด้วยว่าการเกิดของเราก็เราก็สร้างขึ้นมาถ้าเป็นพระโสดาบันมีจิตหยาบก็เกิดเป็นคนอีก 7 ชาติแล้วก็ถึงนิพพาน ระหว่างการเกิดก็สลับกันแค่สวรรค์กับเทวโลกหรือพรหมโลกมีความสุขถ้าเป็นปรโสดาบันอย่างกลางแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีก 3 ชาติถึงนิพพานถ้าเป็นปรโสดายบรรยายละเอียดก็เกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวถึงนิพพานระหว่างที่เราไม่ได้เป็นมนุษย์เราเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็มีความสุข นี่จุดหมายปลายทางแน่นอนของพระศาสดาบรรทถึงง่ายย่นการเกิดขึ้นมามากเรียกว่าไม่ต้องลำบากนานเกิดนานมากเท่าไหร่ลำบากมากเท่านั้นตอนนี้ถ้าหากว่าพระที่ท่านบูชาท่านเป็นพระสิกิธาคามีท่านมีความดีคือระงับความรักลงไปมากระงับความโกรธระงับความโลภระงับความหลง เกือบจะเกือบจะปลดลงสิ่งเหล่านี้แทบเกือบหมดจะเหลือก็เพียงแค่อุปนิสัยมีใจนึกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นท่านก็จะสอนท่านให้เข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีถ้าเป็นพระสกิทาคามีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกทีเดียวเราก็ไปถึงนิพพานถ้าพระที่ท่านบูชานั้นท่านเป็นพระอนาคามี ตัดความอยากในการเทศน์ได้หมดมีอสุจิอันแห้งแล้วแล้วก็ตัดความโกรธได้หมดความพยาบาทได้หมดจิตใจของท่านสบายท่านก็จะสอนให้ท่านเป็นพระอนาคามีเหมือนท่านการเป็นพระอนาคามีถ้าตายจากมนุษย์นี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบำเพ็ญบารมีเข้าถึงพระนิพพานได้เลย แต่บรรพเอมพระที่ท่านบูชาท่านเคารพนับถือท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็อยากสอนท่านให้เป็นพระอรหันต์ด้วยช่วยให้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเข้าถึงพระไม่ใช่เข้าถึงยศตําแหน่งของพระยศตําแหน่งของพระนี่วัดอะไรกันไม่ได้ ที่ท่านมียุทธามัณฑาสกใหญ่มีตำแหน่งใหญ่โตที่เป็นพระดีควรแก่การบูชาก็มีมากก็มีตำแหน่งหน้าที่มียุทธามัณฑาสกคล้ายเป็นเกรดของพระพุทธศาสนาก็มีไม่น้อยเช่นบรรดาท่านพุทธบริษัตรเวลาที่จะบูชาพระจึงอย่ามองหน้าพระเฉพาะในยุทธามัณฑาสกที่ตำแหน่งหน้าที่ ต้องมองดูความดีในเขตของพระพุทธศาสนาว่าพระประเภทนั้นท่านเป็นพระอย่างไรเป็นพระจริงหรือว่าพระปลอมพระจริงต้องเป็นพระอริยเจ้าถ้าพระสมมุตินี่เราเรียกว่าพระปลอมถ้าปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าก็ยังมีผลแห่งการบำเพ็ญกุศล หากว่าท่านทําตนเยี่ยงคารวาสเมาอยู่ในลาภสักการะหรือในยศธรรมดาษะพระประเภทนี้ท่านบูชาเท่าไหร่ท่านก็หาความดีไม่ได้อันนี้จะพูดกันไปนี้ก็จะกล่าวถึงท่านเอกรัตปัตตนาครราชดูตัวอย่างของพระที่ทําความผิดเพียงเล็กน้อยตัวเองก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าก็บรรดาท่านพุทธบริษัทไปบูชาพระประเภทนี้เข้าตัวท่านจะพบความดีได้ยังไงเพราะอะไรเพราะว่าตัวของพระเองในทางก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีโอกาสจะช่วยตัวเองให้เกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นพรหม เมื่อหล่าท่านบรรพชาพระประเภทนี้เข้าท่านจะแนะนําให้ท่านทั้งหลายได้เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหรือเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไรแต่ตัวของท่านเองตายจากความเป็นพระยังเกิดเป็นสัตตฤชาณนี่การที่เกิดเป็นสัตตฤชาณของพญาเอกรปัฏฐนาคราชนี่ทํากรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เจ้าบ้านเห็นว่าไม่มีความสําคัญ การสมณอุปัฏฐากบวชที่บวชเป็นพระต้องถือว่าสําคัญมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเป็นวินัยข้อบังคับพระกับคฤหัสถ์ปฏิบัติไม่เหมือนกันคฤหัสถ์ทรงศีล 5 ประการก็ชื่อว่าคุ้มตัวได้แต่พระนี่มีศีลถึง 227 สิกขาบท ที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตสมบัญญัติห้ามไว้ถ้าละเมิดกฎกรรมใดๆถ้าเป็นกรรมเล็กน้อยก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ากรรมมากยิ่งกว่านั้นไปที่คฤหัสถ์ถือว่าไม่เป็นไรพระก็ต้องลงนรกตัวอย่างเช่นพระไปรักผู้หญิงติดต่อกับผู้หญิงในฐานะที่เป็นคู่รักกันแบบนี้ลงนรกทันที นี่ถ้ากระว่าเค้าจะรักกันสักเท่าไหร่ก็ดีเค้ายังไม่ลงนรกเพราะยังไม่ทํากามมีสมิชชาจารย์สําหรับพระเพียงตรัสดาการเกี่ยวสตรีเท่านั้นแค่นี้ลงนรกแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีบริการหนึ่งพูดกันแบบง่ายๆอย่านั่นเอกรัตปัฒนาคราชท่านทํากรรมที่บรรดาคฤหัสถ์ยังไม่เห็นว่าเป็นโทษ เผพระภราดของเขียวเล็กๆแสนน้อยให้หลุดไปด้วยเจตนาเพื่อเล่นไม่ใช่ดายญ่าวัดก็ทําความสะอาดวัดอย่างนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคไม่ทรงห้ามการอ่านพระวินัยต้องอ่านกันให้ชัดพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมีความประสงค์อย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรตะพีว่าอย่าพระของเขียวเพื่อเล่น คำบพลนี้ต้องจําไว้อย่าไปจําแต่คําพระของเขียวเท่านั้นถ้าพระของเขียวเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มีโทษอะไรถ้าท่าเพื่อเล่นตัณหาว่าเล่นอย่างเด็กไม่สมควรกับความเป็นพระอย่างนี้ต้องเกิดเป็นสัตติฤชาณหาว่าพระท่านปฏิบัติตนแล้วต้องเกิดเป็นสัตติฤชาณท่านไปบูชาท่านไปสงเคราะห์ท่าน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 ตัดสินใจกันเอาเองก็แล้วกันว่าควรไม่ควรเป็นประการใดจะไม่จะเล่าเรื่องราวของพระเอกพญาเอกปัตตนาคราชให้ฟังวันในสมัยมาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมไสยยาสดินาสมหมายสมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกษตเวลานั้นมีพระองค์หนึ่งจําบรรษาอยู่ชายทะเลอยู่ในถ้ํา ในพวกเขาชายทะเลเวลานี้ก็มีมากพวกเขาชายทะเลแล้วท่านจําบรรสาบวชอยู่เป็นพระถึง 20,000 ปีเมื่อเวลานั้นคนมีอายุถึง 40,000 ปีอายุมากเหลือเกินแต่เพราะการบวชพระของท่านจําศีลภาวนาอยู่ทั้ง 20,000 ปีแล้วก็ยังเอาดีไม่ได้ ยังเป็นพระปุตุชนคนธรรมดาที่เรียกกันว่าสมมติสงฆ์วันหนึ่งท่านอาบน้ําอยู่ชายทะเลมีเรือสําเภาลําหนึ่งแล่นมาช้าๆเพราะลมอ่อนเชี่ยวเข้ามาใกล้กับที่ท่านอาบน้ําท่านเห็นแต่คล้ายจับข้างเรืออยู่มากมันยาวมากเพราะว่าการเรือเดินทะเลต้องเดินก็เป็นเอ่อเดินทางก็เป็นเดือนๆแต่คล้ายมันก็จับมาก เพ่งกลายนิกสนุขนุขมาโผกายลงไปจับตะไคร้ปล่อยให้เรือลากไปตามอัตถิยาศัยนี้ร่างกายของท่านหนักมันต้านทานน้ําไว้มากตะไคร้ไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ในที่สุดตะไคร้ก็หลุดออกมาตัวท่านก็หลุดออกมาจากเรือไม่เป็นไรเพราะน้ํามันตื้น <c oughs> ไอ้กลับสถานที่เดิมการทําภาคของเขียวคือถ้าใครน้ําให้หลุดออกมาจากที่เดิมพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นอรรถปาจิตตีเนี่ยบัดเพียงเท่านี้ความจริงอรรถปาจิตตีนั้นมีโทษไม่เสมอกันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระพุทธเจ้าก็ทรงปรับเป็นอรรถปาจิตตีแต่ว่าปาจิตตีตัวฆ่าสัตว์นี้โรมร ก็ปาจิตีร์กันทําผ้าของเขียวให้พ้นจากที่เคยพัดพรากจากที่เดิมดูผลเมื่อท่านเป็นพระอยู่องค์เดียวก็ไม่มีโอกาสแสดงอรรถบรรทึกไม่มีโอกาสระงับโทษนี่ท่านยังไงเวลาจะตายอรรถบรรทึกมันก็ขาดใจ การนิสสมัฏฐปาฏิหิติเอกเกิดขึ้นมันคาใจอยู่นี่เวลาตายตัวไม่ได้ไปด้วยใจมันไปเพราะอาศัยทํากรรมเพียงนิดเดียวเท่านี้และบริษัทบรรพท่านพุทธบริษัททั้งหลายการจําสิงของพระยาเอกรัตนะคราชสมัยเป็นคนไม่มีผลให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหม ผลที่พึงได้รับก็คือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภยานาคมีนามว่าพญาเอกรัตปัฏฐนาคราชได้อํานาจในการบําเพ็ญบุญบารมีมาทั้ง 20,000 ปีก็มีสมบัติอันเป็นทิพย์มีความอยู่คล้ายเทวดาแต่แต่ว่าตัวเป็นสัตว์เดรัจฉาน จึงได้นามว่าพระยาเอกรัตนปัณณคราชก็เพราะว่ามีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนนาคธรรมดามีสภาพเหมือนแต่ไคลน้ำที่ตัวธรรมคือทั้งตัวมันรุ่มรามนุ่งหนังไปหมดมันเหมือนไคลน้ำลอยน้ำแบบนั้นจึงได้นามว่าพระยาเอกรัตนปัณณคราชนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทการบูชาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ถ้าเรามีความฉลาดแล้วเราก็คงจะได้ดีอย่างพระคุณเจ้ารูปนี้ท่านปฏิบัติตนด้วยนายกุศลที่ท่านทําให้เกิดเป็นสัตติระฌานถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริสาตทุกท่านไปบูชาพระประเภทนี้เข้าในเมื่อพระประเภทนี้ท่านเป็นสัตติระฌานตัวท่านจะเป็นอะไรคิดกันดูก็แล้วกัน แต่ก็ยังมีความดีอยู่อีกนิดที่จิตของพระญาเอกตปัตตนะพระอาจารย์น้อมอยู่ในส่วนของกุศลมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญบารมีเดิมยังส่งเสริมให้มีสภาวะเป็นทิพย์คือมีที่อยู่เป็นทิพย์มีเครื่องบริโภคเป็นทิพย์ต่อมาก็ได้นามณ <c oughs> กวีกาขึ้นนางนาคมารีอีกตัวหนึ่งมาเป็นคู่ครองมีลูกขึ้นมาเป็นลูกหญิงมีนามว่านาคราวิกาขั้นต่อมามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ทรงอุปถัมภ์ขึ้นปญานาตนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนาคแต่มีอารมณ์ใจเป็นภิกษุ มีความคิดอยู่เสมอว่ามาไรหนอองค์สมเด็จพระธรรมมาชัมมะเจ้าองค์ใหม่จะทรงอบรมบัดขึ้นมีความจริงมีอายุนานเหลือเกินท่านเกิดเป็นนาคในสมัยพระพุทธกาสบสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์นั้นนิพพานไปแล้วสิ้นเวลาทั้งเวลาปีเป็นล้านๆปีถ้าจะนับเวลามนุษย์ <c oughs> พยานหน้าต้นนี้ก็ยังมีอายุยืนเป็นพยานหน้าอยู่ในความจริงหากว่าท่านตายจากความเป็นนาคความดีเดิมปรากฏก็จะบันดาลให้ท่านเป็นเทวดาได้แต่ถ้าว่าอายุของท่านมันนานเกินไปถ้าจิตใจของท่านก็ยังน้อมไปด้วยกุศล วันหนึ่งจิตใจเกิดไม่สบายใจคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกหรือยังนั่งนึกนอนนึกมันทนไม่ไหวจึงได้เรียกรูปสาวมาคือนางมาคารวีกาให้แปลงเป็นมนุษย์สาวสวยตัวท่านเองก็แผ่พรผ่านให้รูปสาวยืนอยู่ในบนทางพานของท่าน แต่ก็ลองเพลงเป็นพุทธภาษิตที่ท่านผูกขึ้นโดยท่านตั้งใจคิดว่าเพลงนี้นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงแก้ได้ถ้าคนธรรมดาไม่สามารถจะแก้เพลงได้คือเพลงของท่านมันเป็นพุทธภาษิตคือที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ท่านจําได้เพราะจิตเป็นทิพย์ในสมัยพระพุทธกษัตริย์ท่านทรงตรัสเอาไว้ มดท่านแผ่พรรณพันลอยขึ้นมาในน้ำนางนาคคฤวิกาก็ร้องเพลงที่พ่อปลูกให้โดยมีสัญญาว่าถ้าใครร้องเพลงแทบเทนี้ได้เราจะยอมเป็นพญายารูปร่างหน้าตาของแกมันสวยผิดปกติสวยมากจะหาคนในปัจจุบันสวยเท่าเธอไม่ได้ <c oughs> ไม่ว่าใครๆมาทราบข่าวคนแล้วก็ต่างพากันไปร้องเพลงแก้เมื่อร้องเพลงแก้แล้วนามก็ตอบว่าไม่ถูกพยานน่ะเองก็เป็นพยานบอกว่ายังไม่ถูกถ้าร้องเพลงแก้ถูกเมื่อไหร่แล้วก็เราจะยกหูสาวให้เป็นปัญญาของท่านทันทีนี่เพราะว่าสภาวะของท่านเป็นทิพย์ถึงกับพูดภาษาคนได้ ต่อมาอสงฆ์ได้ไปชมไตรบริมังศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าอุตตรมนุษย์ซึ่งเคยเป็นคู่ครองกันมากับนางนาคราวิกาแก่ได้เป็นพระโสณามนเวลานั้นอุตตรมนุษย์ได้ยินข่าวเข้าลือกันว่านางนาคราวิกามีรูปร่างหน้าตาสวดสวยเป็นกรณีพิเศษ สวยยิ่งกว่ามนุษย์ใดในดินโลกจะพึงสวยเท่าเมื่อดร้องเพลงต่างๆให้คนแก่ถ้าแก้ได้จะยอมเป็นบันไดจึงได้ตั้งใจจะสารว่าเพลงเค้าร้องเข้ามายังไงชาวบ้านเค้าบอกให้ฟังแล้วก็ตั้งใจจะร้องแก่เดินออกจากบ้านไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบได้เห็นอุปนิสัยเค้ายินได้ประสบโนนาปฏิผล อ๋อสมณัตถรสพลก็ไปนั่งดักตามทางคันเมื่อเขาเห็นพระพุทธเจ้าเขารู้จักเข้ามาถวายนมัสการองค์สมเด็จพระพุทธพิชิตตมานจึงได้ทรงปราศถามว่าโพภูริสสดูก่อนบุรุษผู้เจริญเธอจะไปทางไหน อุตระมานัสจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นร้องเพลงแท้กับนางนาคคราวิกาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทราบแล้วนี่ว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันเขาจะต้องหลงใกล้กันแน่ได้ประการหนึ่งมันได้กันแล้วได้ฟังเทศน์ของพระองค์เขาจึงได้ประสบโหนนาประดิษฐผล <c oughs> เเล้วสมเด็จพระ ธாசพร ต้องการเฉพาะอย่างเดียวคือพระโสดาปัตติผลให้เขาเป็นคนเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้ามีความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อ๋อสมเด็จพระชินสีห์จึงได้ถามเค้าว่าเพลงที่เธอจะไปร้องแก่น่ะเธอจะร้องว่ายังไงเค้าร้องถามมาว่ายังไง อุตรามนุษย์ก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเมื่อเขาร้องถามมาอย่างนี้ตัวเขาจะไปแก้แบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บอกว่าแก้อย่างนี้มันไม่ถูกจะต้องแก้แบบนี้สิแล้วพระองค์ก็ทรงผูกเพลงไปให้สอนให้ร้องเพลงนี้พระพุทธเจ้าก็ร้องเพลงเป็นเหมือนกันบทเพลงนั้นเป็นพุทธภาษิต เมื่อสมเด็จพระธรรมสามิตรสอนเข้าแล้วก็ก็ลาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วไปเวลานั้นเมื่อว่างจากคนแก่เพลงอุตระมารณพก็ขอรับอาสาจะร้องเพลงแก่นานาธวิกาก็ร้องเพลงขับคําถามออกมาอุตระมารณพก็ร้องเพลงแก่พญาเอกรปัตตนครราชตั้งใจฟังอยู่ และเห็นการร้องเพลงแค่นี้ถูกต้องตามตามที่ตนตั้งใจไว้คิดในใจว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบังเกิดแล้วดีใจจึงบังผ่านที่น้ําน้ําปลิ่นขึ้นทําให้คนที่ยืนอยู่ข้างริมแม่น้ําผล่นลงมาในน้ําต่างๆกันเพราะถูกขึ้น พญาเอระบัตนะคราจึงค่อยๆเอาหางประคองคุณทั้งหมดขึ้นไปบนตะลิงแล้วตัวเองก็แปลงเป็นมนุษย์ขึ้นไปถามอุตระมนุษย์ถามว่าเพลงที่ทํานํามาแก่นี้ท่านคิดได้เองหรือใครสอนท่านอุตระมนุษย์ก็บอกว่าเพลงนี้ไม่ได้ร้องได้เองมาพบองค์สมเด็จพระพุทธกวินบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้ พญาเอกรัตนกัณฐ์ได้ถามว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอุตระมนุษย์บอกที่แล้วก็พากันไปเมื่อถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เทศโกรธอุตระมนุษย์เป็นพระโสดาบันไปนํามักขลิกาบุพพยาเอกรัตนกัณฐ์ราชพร้อมด้วยพญาเอกรัตนกัณฐ์ราช เอาเข้าถึงพระสรณคมพญาเอกรปตนะคราจึงได้ยกรูปสาพร้อมได้สมบัติอันเป็นทิศให้แก่อุตระมนุษย์อยู่ครองกันแล้วนํามาไว้ในเมืองมนุษย์สมบัติส่วนนั้นจะนําไปไว้บาดาลไม่ได้อุตระมนุษย์กลายเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบุรุษศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การสรรดับพระธรรมเทศนาคราวนั้นถ้าพระยาเอกรัปัตนากรราชไม่เป็นสัตติระฌานก็จะได้บรรลุพระโสณนาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นนี่หมายความว่าท่าเป็นคนที่ฟังแล้วไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะภาวะพระยาเอกรัปัตนากรราชไม่ใช่คนนี้เป็นสัตติระฌานไม่มีโอกาสจะบรรลุมรรคผล วันนี้หน้านี้ในเอราวัณดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่นําเรื่องราวของพระญาเอกรัตน์อปัตตนาคราชมานี้ก็เพื่อจะให้บรรดาท่านพุทธบริษัทรู้จักลีลาของพระเห็นว่าพระองค์ใดที่ปฏิบัติไม่ดีเพียงแค่ความชั่วเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านี้ถ้าเราเคารพนับถือท่านจริงๆก็ควรจะแนะนําตักเตือนท่าน อย่าปล่อยในทํานองที่เราก็ช่วงที่ชี่ฉ่างสงเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ท่านหลายเหล Becca เรานั่นเกิดเป็นสัติธิด ahead of 화� defence บ้างเป็นสัตินะรุกใพเป็นที่น่าเสี่ยงได้ที่ได้่อดข้่าวอดปล่าคืออดข้าวเวลาเย็นมาตั้งนานแล้วบุญที่ท่านได้บําเพนเข้ามาแล้วไม่บันดานให้ท่านเป็นพระอ intentar หรือเป็นเท กลับกลายจากความเป็นคนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างถึงว่าเห็นพระองค์ใดมีนิสัยไม่ดีคือมีจิตอิจฉาริษยาพวกคนอื่นที่เขาทําตนได้ดีกว่าก็ตามได้รายทรัพย์สินทั้งหลายมาแล้วไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์กลับเอาไปประกอบกิจเป็นประโยชน์ของตนก็ตามเอาประโยชน์แก่พวกพ้องก็ตาม นี่เป็นปัจจัยให้ท่านเหล่านั้นลงอเวจีมหานรกถ้าบรรดาท่านพระตบะบริสัทเห็นแล้วก็เตือนท่านให้สักหน่อยก็จะเป็นการดีให้มาช่วยองค์สมเด็จพระชินสีรักษาความดีเข้าไว้แม้แต่ตัวท่านเองก็เหมือนกันถ้าไปเคารพปฏิบัติตามพระองค์นี้เข้าท่านไปนรกพระไปนรกท่านก็ไปนรกด้วย ทำไมเกิดเป็นสัตว์ในฌานก็เกิดด้วยเพราะอะไรเพราะนิยมตามแบบฉบับเดียวกันเอาล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกเวลา 30 นาทีปรากฏแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี